หลวงพ่อในช่วงนี้ก็ไปไปมามาลุบรุโผล่โผล่วาไงละเนี่ยเป็นห่วงวัดก็มาวัดบ้างบางทีก็มาไม่ได้มาฉันจังหันมากางวันมาเสร็จแล้วก็รีบกลับมาทำธุระสั่งการสั่งงานแล้วก็รีบกลับเพราะว่าหลวงตาป่วยตอนเช้าถ้าว่าผู้ฟังวิทยุโทรทัศน์ก็คงจะทราบว่าหลวงพ่อก็ได้ บอกกล่าวเล่าสิบพี่น้องประชาชนว่าหลวงปู่หลวงตาป่วยเป็นยังไงอาการเป็นยังไงแต่ละวันแต่ก็กลางวันมาทีนีก็ต้องไปชุมหารือเกี่ยวกับแพทย์หมอพระเนนที่เขามาสู่วัดสรุปแล้วก็คือเข้าไปทำธุระบางคนก็บอกโอ้หลวงพ่อ สูร้อมลงมากเ้ยแกหลวงพ่อหลวงพ่อแกแล้วก็พ้ อ, อง ก, กันกระทำงานการอยู่การฉันมันผิดปกติไปหมดแล้วก็ใช้สมองอีกต่างหากใช้แนวความคิดที่จะประสานคณะแพทย์คณะหมอจะทำยังไงแต่จากนั้นก็เข้าไปนน่าเฝ้าองค์หลงตาแต่ละวันเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือไปทำธุระ ไม่ใช่ไปสนุกสบายนะลูกหลานนะลุงพ่อไปทำธุระไปแสดงความกตัญญูกตเวทิตาพ่อแม่ของพวกเราให้ร่างกายมาตั้งแต่แตศีรษะจนถึงเท้าอันนี้คือพ่อแม่ให้มาจากนั้นก็สอนให้รู้เรื่องเป็นเบื้องตน้นเป็นบุพก า, ารน คือสอนการอยู่การกินการหลับการนอนการเรียกพี่ป่านาอาอันนี้ก็คือพ่อแม่สอนเป็นเบื้องต้นเป็นปุพาาจารย์แต่สำหรับหลวงปู่หลวงตาที่ให้ธรรมะให้แนวความคิดแก่พวกเราอ น, นั้นแปลว่าเป็นบุพาาจารย์ให้ธรรมะให้แนวความคิดสอนทางด้านจิตใจทำยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิ คิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์อย่างอกลูกตาเนี่ยท่านก็ให้แนวความคิดกับสิทธิอนุสิทธิอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถือว่าท่านเป็นบุพกาจารย์ทางธรรมะเพราะฉะนั้นเราจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรบุพกาจารย์ที่ให้ธรรมะแก่เราเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไร อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อบุพการีของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อไปแสดงความกตัญญู่ะไปว่าไปปรึกษาปารพแพทย์หมอว่าจะรักษาสุขภาพองค์หลวงตายอย่างไรเมื่อวานนี่ก็ได้นั่งหัวโตมาคณะแพทย์มาจากศิริราชจากขอนแก่นจากอุดรคณะสง นั่งประชุมกันที่กุติหลวงพ่อนหลวงพ่อนัดมาประชุมที่กุติหลวงพ่อกันนั่นแหละให้โซเฟอร์หลวงพ่อเนี่ยไปเตรียมพวกน้ําพวกอะไรมาพร้อมเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเอา้เอามาหารือกันจากนั้นหลวงพ่อก็เลยพูดเอา้าคณะแพทย์คณะหมอให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคือให้พูดแนวเดียวกันให้วิเคราะห์ แนวเดียวกันในที่ประชุมจะรักษาโรคหลงตาอย่างไรอไม่ใช่ว่าคนหนึ่งพูดออกจากหนึ่งคนหนึ่งพูดออกจากหนึ่งหลวงตาเป็นบุคคลสําคัญของโลกนะของประเทศนะพวกเราบอกเอ๊อไม่น่าจะให้ยาอย่างนั้นผมไม่ไม่เห็นด้วยเนี่ยคําพูดเพียงคําเดียวท่านี้แหละจะทําให้คณะแพทย์ทั้งหลายปั่นป่วนเเพราะฉะนั้นใครอยากจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีซะก่อน ในพูดก็ต้องพูดในที่ประชมุมหลวงพ่อก็เตือนแพทย์เตือนหมออย่างนั้นนะแล้วไปให้เป็นแนวแถวเดียวกันส่วนพระสงฆ์ก็เหมือนกันที่เข้ามาดูแลรักษาองค์หลวงตาก็ให้ช่วยกันเคิจากนั้นก็มีการปรึกษาหารือกันจุดบกพ่องใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงเมื่อวานจากนั้นองค์หลวงตาก็อาการไม่สบายทั้งผุดโรคผุดหนังเมื่อวานนี่ ท่านแน่นจากนั้นบ่ายสามโมงพวกเราไปชมกันบ่ายสี่โมงค่อยเลิกหลวงตาเข้าห้องตั้งสามโมงเข้าห้องตะวันมากเมื่อวานพอเข้าไปคณะแพทย์ไปโอ้หลวงตาเข้าห้องแล้วโอ้ตายทํำยังไงเนยเนานั่งรอข้างนอกก่อนอจากนั้นท่านไล่พระออกทั้งหมดนะพระจะมายุ่งหนีออกทั้งหมดเราจะอยู่ตามลําพังใครๆว่าท่าน ท่านภาวนาของท่านเล้งั้นท่านท่านไม่พึ่งพระพึ่งใครทั้งหมดล่ะเห็นพระเนี่เข้าไประยุกต์ไล่หนุกหมดอท่านจะอยู่ตามลําพังของท่านอแต่นี่ก็พากขาค่อยย่องเข้าไปไปเฝ้าห้องอยู่ในห้องของท่านเออไปนั่งเฝ้าห่างๆหลวงพ่อก็พาพอประชุมเสร็จแล้วก็ทั้งทีมทั้งพระทั้ง หมอกเกือบสามสิบกว่าคนมั้งทั้งพระเกือประมาณสิบกว่าหมออีกทั้งพยาบาลเด็ก<ม>เดินเข้าไปไปหลวงตาเข้าห้องแล้ว<ม>เอาเอาเอาไงเอานั่งนอกห้องของหลว ง, งตาน่ะก็เลยนั่งบริเวณรอบขุดหลวงตาพอ น, นั่งเสร็จแล้วหลวงพ่อเลยน้<ฮ>อมร่องเขาไปบอกพระในห้องในห้องหลวงตาบอกว่าออกมาที่หน่อยใช่พระทั้งออกมา บอกว่าอาการลวงตาเป็นยังไงวันนี้มาบอกให้แพทย์ฟังぜแล้วนภัสก็มาเล่าอาการลงตาให้ผกคณะแพทย์ฟังพอจบแล้วประมาณสักไม่ถึงห้านาทีมพูดหองพอเออปเข้ากลับไปในห้องซะเพื่อไปดูลุงตาแันนั้นเราก็นั่งคอยสักพักหนึ่งพักออกมาบอกว่าลวงตาให้เข้าไปในห้องได้เพราะคณะแพทย์มา ก่อนนั้นเลยพวกนัก็ลุงเข้าไปที่เข้าไปได้ประมาณหมอสาธราจารย์เท่านั้นสามสี่ท่านเข้าไปเลยไปขออนุญาตท่านขอเอาสายยางเข้าทางจมูกเพื่อดูดเอาน้ําในกระเพาะออกเพราะอัมอาจจะเป็นลําไส้อุดตันท่านก็เออเราก็ได้พวกคณะแพทย์ก็ได้เอาสายยางเข้าไปดูดเอาน้ําในกระเพาะเมื่อวานประมาณบ่าย ห้าโมงกว่ากว่าสี่โมงกว่ากว่าเกือบห้าโมงพอดูดเสร็จแล้วก็ลุงตาก็สบายขึ้นเลยเนะพราะมันไม่กระอักกระอ่วนไม่อ้วกหลวงพ่อเห็นว่าอืมทีแรกจะมาบ้างไม่มาบ้างเพราะว่าพระตอนเช้าในเจราญสิกขาสิบสี่องค์พระโครงการบวชถวายพระรชุกุศลวันเสริมพระชนบวชวันที่สองธันวา วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่ธันวาหลวงพ่อคิดหนักเหมือนกันแต่พอดูดน้ำออกจากกระเพาะ อ, องค์หลวงตาหลวงพ่อก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งหลวงพ่อก็เลยม า, มาถึงเมื่อคืนในเกือบสามทุ่มสองทุ่ม ก, กว่า เมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ทำพิธีอย่างที่ว่านั่นแต่วันนี้ก็จะต้องฟังอีกว่าองค์หลวงตามีอาการอย่างไรทางว่าโอ้ห น, น, นักน่าหลวงพ่อก็จะต้องไปปีเข้าไปอีกไปดูเหตุดูการกับพี่ๆน้องๆกับญาติกับโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะแพทย์คณะหมอคณะพระสงฆ์จะต้องปรึกษาหารือกันเราก็ไม่ใช่โดดเด่นเด่นดังอะไรหรอกเมืองกับ พี่พน้องๆทุกองเน่ยก็ต้องปรึกษากันเคียงบา่าเคียงไหลพี่ได้สองน้องได้หนึ่งจะรักษาอย่างไงจะทำอย่างไงให้ดีที่สุดเนะี่ยนั่นแหละอันนี้ก็คือเราเข้าไปทําหน้าที่ไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกหลวงตาจะไปหายุ่งกระท่านท่านอยู่ท่านไม่ชอบยุ่งเรืองวุ่นวายแต่ท่านทุกคนพูดอย่างนั้นนะทุกคนพูดอย่างนั้นนะมันจะเป็นผลดีสําหรับสิทธิ์ไหม แสดงว่า ส, สิทธิ์นี่โง่มากไม่มีความกตันอยู่กะตะเวที่ตาเลยมอบให้คนอื่นเป็นผู้ทำหน้าที่แทนนะแต่ถ้าว่าเข้าไปแล้วไปเห็นแล้วเออเ อ, อเป็นที่พอใจคณะศิตปังหมู่บังกลุ่มเขาทำาดีอยู่แล้วแต่มีอีกไหมที่บุกพ่องที่เราจะช่วยเข้าไปเสริมได้ไหมถ้าไม่เสริมไม่ได้อา้าเอาจิตัจ ป, ปใจเพราะกลุ่มนี้เขาเข้าไปดูแลเขาจาเป็นจะต้องดี เข้าน้ำโภชนะอาหารปัจจัยสีเพียงพอไหมเราจะได้เสริมจุดนี้ไหมสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดหมดทุกรูปแบบไม่ใช่ว่าจะทิ้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นหน้าที่ของเขาแล้วก็ตัวเองก็ชฉยเป็นผู้ฉลาดไปแต่ที่จริงเน่เป็นโง่เต็มทนไม่แสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อผู้มีอุปการะคุณอย่างนั้นหลวงพ่อก็น่าตาหนิเหมือนกัน ถ้าว่าผู้สูงอายุไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ผู้สูงอายุก็เถอะความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็ได้คิดในจุดนี้เหมือนกันสรุปแล้วคือไม่ให้ขาดตกปกพ่องในหน้าที่ของตนเองเเมื่อหลวงปู่ล่าหลวงพ่อก็ได้ทําหน้าที่มาถึงโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็ได้ทําหน้าที่มาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงตาหลวงพ่อจะต้องทําหน้าที่ถว่ายหลวงปู่จามก็เหมือนกัน ถ้าท่านเจ็บไข้ใดป่วยหลวงพ่อก็จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการแสดงความกตัญญูอย่างคุณแม่ชีแก้วเหมือนกันดูตลอดจนเผาศพสร้าง Z, เจดีเสร็จนี่แหละ ส, สรุปแล้วคือหลวงพ่อในเรื่องความกตัญญูก็แต่เวทิตาต่อผู้มีอุปกา ร, ระคุณหนะลวงพ่อไม่ได้มองข้ามดูมาตลอด เพราะมาถึงจุดขององค์หลวงตาของเราเนี่ยอย่งพวกเราท่านทั้งหลายเห็นทั้งเป็นห่วงวัดก็ห่วงพระทั้งสามสิบสี่สิบองค์พระทั้งหมดสี่สิบกว่ารูปตลอดถึงญาติโยมพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็ต้องต้อ ง, องทําหน้าที่นั้นก่อนคือหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ที่ใหญ่จําเป็นและสำคัญในใจของหลวงพ่อแต่คนอื่นถึงยังไม่จําเป็นและสำคัญ แต่ในใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อวันหนึ่งเป็นหนึ่งในความจําเป็นและสําคัญเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปทําหน้าที่และทำธุระจุดนั้นซะก่อนะแต่เมื่อเข้าไปแล้วก็พอที่จะช่วยเหลือพูดกล่าวเล่าสีประไล่ก็ต้องได้พูดได้กล่าวออพร้อมความพร้อมเพียงสมัคีในหมู่ในคณะในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายแต่ก็ลูกศิษย์ทั้งหลายก็นานาจิตตังนานาทัศนะนานาความเห็นในพี่น้อง บางคนก็เห็นด้วยที่จะให้อยากจะให้หลวงพ่อพูดจะเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวแต่บางกลุ่มบางคณะเป็นบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยว่าหลวงพ่อน่าจะถแถลงหรือชี้แจงแต่เจ็บป่วยเท่านั้นไม่ควรจะมาแสดงธรรมหรือมาแสดงความคิดเห็นแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ใช่แสดงธรรมเพียงจะแสดงความคิดเห็นพวกเรามาอยู่ด้วยกันให้มีความเพียงสมัคคีกันนะ มาอยู่กับครูบายจานยอย่าเป็นกาจับภูเขาทองเกาะภูเขาทองหลวงตาเป็นภูเขาทองพวกเราเป็นกาหลวงพ่ออินอย่าลืมตัวนะหลวงพ่ออินนะเข้ามาอยู่ใกล้หลวงตานะอย่าเป็นกาเกาะภูเขาทองนะสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีทำไม่ใช่มาเกาะภูเขาทองถือว่าตัวเองเป็นทอง เวลาบินออกไปจากภูเขาทองระดําปิดปีอย่างเก่าเพราะเหตุไรเพราะไม่ทําตัวให้เป็นทองแตเมื่อมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ทำตนให้เป็นคนดีเป็นพระดีอย่ามาเกาะภูเขาทองและตัวเองเป็นผู้เป็นบุคคลสําคัญไม่ถูกนะเซิงเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้เตือนบรรดาศิษ ย, ยานุศิษย์ไม่ใช่เตือนแต่คนอื่นเตือนตนเองด้วยอเตือนคนที่พูดด้วย อย่าไปหลงอย่าไปลืมตัวอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเป็นผู้ใหม่ให้ข้าวเกรงอกเกรงใจทำตนให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้อยู่เสมอนี่แหละคือเข้าอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ใช่่าอยู่ไปนานๆนนเข้าไปแล้วเก็เคยชินกับครูบาอาจารย์อันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ถูก อันนั้นก็ไม่จำเป็นอันนั้นก็ไม่สำคัญล่วงละเลยไปเลื่อยโผลที่สุดก็เลยข้ามหัวควูบาอาจารไปถือว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญไปที่แท้เหมือนกาเกาะภูเขาทองเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็เตือนบรรดาลูกศิษย์นะนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้แสดงทำอะไรแป็ว่าการเป็นอยู่ของพวกเราอย่าลืมตัว เ, เนี่ยแต่ก็มีคน ไม่ให้พูดหลวงพ่อเออไม่ให้พูดก็ไม่เป็นไรหยุดพูดก็ได้ผมไม่อยากจะพูดนะที่จะสรรหาคำพูดมาพูดน่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันคิดแล้วคิดอีกที่จะสรรคำพูดอย่างไรมาพูดให้ชุมชนสังคมคนกลุ่มใหญ่ทั่วประเทศได้ฟังเน่ยไม่ใช่ว่าหลุดปากออกคำไหนก็พูดคำนั้นไม่ใช่ต้องสรรหาคำพูดพอสมควร จิงจะพูดหลุดออกไปแต่ละคำเป็นประโยชน์ไม้มเกิดประโยชน์ไหจะเกิดโทษตามมาไหมแต่ว่าบางคนก็เกิดโทษก็คือความไม่พอใจก็ไม่เป็นไรสิ่งไหนก็นตามพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราประกาศศาสนาเมื่อท่านประกาศไปถ้ามีคนต่อต้านจุดไหนอย่างภิกษุภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ตองปาจิตีเพราะเหตุด เขาบอกพระในสมัยนั้นไปประกาศพระศาสนาแต่พระเขาไปไดาา้หญ้าบางไปตัดต้นไม้บางคนในยุคสมัยนั้นเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยหญ้ามันเป็นเป็นของมีวิญญาณอพระเนี่ยจะมาทํามาตัดต้นไม้ได้อย่างไรจะแสดงว่าพระนี่ไม่มีศีลไม่มีคุณธรรมในจิตใจเลยตัดต้นไม้ตัดหญ้าได้หญ้าแต่คนสมัยนั้นเขาว่าเออแ ต, แต่หลักของพุทธศาสนา วิญญาณหรือว่าสพัพพสัตต์นะั่นคือพวกมแมลงพวกตั ก, กแตนพวกมดนะคือมันมันมีร่างกายแต่มันเคลื่อนไหวได้อันนี้เราของที่มีวิญญาณอันนั้นฆ่าไม่ได้ถ้าผู้ใดไปฆ่าไปบีไปทําลายเนี่ยผิดศีลเป็นอบัติแต่ต้นไม้เนี่ยเป็นธาตุสี่ไม่มีวิญญาณคลองดาญ้าได้ตัดหญ้าได้ไม่เป็นอบัติเพราะมั ถ, ถือว่าฆ่าสัตว์ แต่คนยุคนั้นเขาว่าฆ่าสัตว์เพราะต้อตอนไม้มันเกิดขึ้นมามันเหมือนกับนี่นหละมันของมีวิญญาณพระพุทธเจ้าท่านเห็นเออไม่ได้ถ้ามีคนต่อต้านอย่างนี้ประกาศพระศาสนาคงเป็นไปไม่ได้ท่านก็บัญญัติสินขึ้นมาบัญญัติวินัยขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามผ้าของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตต นี่แหละคือสินขึ้นมาเป็นวินัยขึ้นมาให้พระสงฆ์รักษาอะไรท่านนี่จากนั้นพระสงฆ์ไปสถานที่ใดก็ไม่ได้ได้าย่าไม่ได้ตัดญ้าไม่ได้ตัดต้นไม้คนทั้งหลายโอ้พระสงฆ์เป็นผู้มีศินเนี่ยพูดอะไรธรรมะให้ใครๆครใครฟังเขาก็ฟังเท่านี่แหละสรุปแล้วก็คือพระ อ, องค์มองมองดูชุมชนมองมองดูสังคมเหมือนกันถ้าพูดออกไปแล้วตราดออกไปแล้วทําออกไปแล้วสังคมต่อต้าน ท่านก็หยุดซะอันนี้หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ถืออย่างพระพุทธเจ้าแต่ว่าใช้แนวแถวของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับมาเป็นกระจกเงาเหมือนกันแต่พูดออกไปแล้วคนยิ่งแตกสมคีกันคนยิ่งไม่เข้าใจกันเป็นฝักเป็นฝายมากขึ้นเราจะไปพูดทำไมถึงจะพูดธรรมะก็เถอะก็ไม่น่าจะพูดสิ่งเหล่านี้เราก็ได้คิด เพราะว่าเราเกิดมาในโลกเนี่ยมีมากหลากหลายนานาจิตตังนานาทัศนะหลวงพ่อได้พูดว่าเห็นไหมเรื่องของมนุษย์ขนาดลิงมาฟังมาฟังเรื่องเรื่องของมนุษย์เดี๋ยวก็เรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องเจ้าเรื่องนายเรื่องการเป็นอยู่เรื่องสายส้อยตุ่มหูเรื่องนาฬิกาเรื่องเงินคําทรัพย์สมบัติ เรื่องถนนหนทางเรื่องพัฒนาเกษตรตะกรนตะกมกฎหมายบ้านเมืองลิงมันมาฟังโอโหทําไมมนุษย์เนี่ยุ่งขนาดนี้พอฟังเสร็จแล้วมันว่ามนุษย์ตี่วันนี้ได้ฟังสิ่งที่ศกกรปกมากได้ฟังเรื่องของมนุษย์ยุ่งเหยิงวุ่นวายจริงๆขนาดลิงยังกระโดดลงไปล้างหูในในน้ำเหมือนกันแต่ไปล้างสิ่งสิกกรปกออกจากหูเพราได้ยินสิ่งศักดสกกรปกเพราะนั้นมนุษย์ของเราเนี่ย ฟังฟังดูแล้วน่ะมันเรื่องลากมากเรื่องมากลากหลายจริงจริงเว้ยเงินเดอให้พวกเราคิดดูสิว่าหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามถึงจะเรื่องมากลากหลายของคนแต่เรื่องของเรานั้นม่อมีอะไรบ้างที่จะประกอบคุณงามความดีสั่งสมแต่คุณงามความดีเท่านั้นสิ่งที่มันชั่วแล้วอย่าคิด อย่าพูดอย่าทำถ้าทำถ้าคิดพูดทำไปแล้วสิ่งที่ผลสะท้อนย้อนกลับมานั้นไม่เป็นผลดีมีแต่เรื่องโชช้าเสียหายเพราะนั้นให้ทำแต่คุณงามความดีนะ้าให้ประกอบ บ, บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะ้ากรรมชั่วอย่าทำเเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นให้โทษสิ่งที่ไม่ดีตามมาภายหลัง กรรมชั่วจะทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั่นเมื่อตายไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วเจ้าของประวัติตายไปแล้วเขาเขียนประวัติให้เรายากเมื่อภายหลังไม่รู้จะเขียนยังไงสมัยเป็นคารวัตสมะมเลเทเมากินเหล้าเมายา ส, าาลาสุลานารีภาษีกิฬาบัตรไม่รับผิดชอบในครอบครัว ก, กลับมาบ้านกับเตะซ้อมเมียเหมือนกับสอบทราย ลูกกระจัดกระจายแต่กระจอยไปใจกันไปหมดนี่สิลพรุงพลังรอบด้านอยู่บ้านก็ไม่ได้คนมาทวงหนี้บ้านหาจะอยู่หาจะกินก็ไม่ได้พอตายไปแล้วท่นี้ไอ้ผู้เขียนประวัติก็เขียนยกเมฆเขียนบานเอานายนี่นามสกุลนีเออ่เป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวดีมาก เ, ออเลี้ยงลูกมาออมีแต่แนวดีๆเขียนออกไป แต่คนที่มาห่างๆไกลเขาก็ฟังโอ้ดีจริงๆแต่พ่ออยู่ใกล้เลยทีกะอากระอวนอยากจะอายเทียนก็เท่ากันปวดเสียนเวียนเก้าเพราะเหตุไรเพราะมันรู้ประวัติดูมันไม่เป็นอย่างที่เขาเขียนเขาเขาก็เลยทานประมาทไปคนที่เขียนอีกต่างหากโอ้ยมันคนขนาดเดียวกันอมันชั่วเดียวกับแบบเดียวกันมันยังเขียนประวัติกันยกเมฆเขียนอย่างนี้ฮ มันเขียนได้อย่างไรมันไม่เป็นอย่างที่มันเป็นประวัติชักหน่อยเลยไอคนที่เขียนก็บอกโอ้ยไม่รู้จกผมจะเขียนยังไงถ้าจะประจานออกมาให้โลกทั้งโลกฟังมันก็ไม่น่าฟังอีกต่างหากทีนี้เพราะมันชั่ว น, ะนี่แหละเพราะฉะนั้นกรรมชั่วจะทําทเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่นะเขาเขียนประวัติเรายากเมื่อภายหลังเนี่ยหลวงพ่อบอกอย่างงั้นรับพรในอะันนี้อนุโมทนาให้พร